ข้างหลังบอกไม่ค่ยเห็นปิดไฟหน่อยปิดไฟหน่อยเราเกิดมาทําไมครับลองตอบคําถามด้วยตัวเราเองเราเกิดมาทําไมออยเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเอาเอาความคิดเราธรรมดาเอาความคิดแรกที่ออกมาเลยไม่ต้องปรุงแต่งความคิดเราเกิดมาทําไม เกิดมาใช้คาเกิดมาใช้คาเกิดมาทำอืจะได้ไม่มาเกิดต้องเกิดก่อนถึงจะไม่มาเกิด ม, มีคิดใช้คาให้หมดอืม องค์ปริมาณหนักเลยนะถ้าใช้กรรมให้หมดนี้หนักเลยอีกนานเลยใช้กรรมให้หมดเอาละเพราะว่าคำถามนี้เราจะได้ยินบ่อยมากนะครับแล้วผมเองก็ถูกถามในคอสปฏิบัติบ่อยมากและทุกครั้งที่ผมถูกถามผมก็จะย้อนคำถามเข้าใหม่ถามว่าผมจะบอกเขาว่าคำถามที่คุณตั้งเนี่ยว่า เราเกิดมาทำไมเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นทำไมเราเกิดมาเราตอบได้ถ้าเรากลับมาที่คำถามนี้เราเกิดมาทำไมสมมติว่าวินาทีที่ท่านทั้งหลายคลอดออกมาเนี่ยแล้วหมอถามเลยเนี่ยแล้วสมมติว่าท่านฟังรู้เรื่องแล้วตอบได้อะเพราะว่าตอนนั้นท่านเพิ่งคลอดเลย หมอยกขึ้นมาปับ๊บตีเพี้ยให้ร้องทีหนึ่งก่อนเอเกิดมาทํา <_ d ata> ไมฮะสมมติว่าท่านตอบได้วันนี้ใช้ความคิดวันนี้แล้วตอบหมอเลยอ่ะท่านจะตอบหมอว่าไงขอโทษอาจจะบอกคือกูไม่รู้ไม่รู้จริงคืออยู่ข้างในตั้งเก้าเดือนแล้วออกมายังมากวนอีกไม่รู้จริงๆคือมายังไงก็ไม่รู้ ไม่ได้บอกโผล่มาก็มาใช้กรรมทิ่ท่าจะได้ร้องหนักขึ้นไปอีกขอกลับเข้าไปที่เดิมเลยคือมันไม่ใช่ไงมาเพื่อหลุดพ้นรู้หรือมาเพื่อหลุดพ้นไม่รู้เออถ้าอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูนยออกมาแล้วเดินเจ็ดเก้าแล้วบอกเลยว่าเราจะมาเป็นชาติสุดท้ายเอออย่างเนี้ยท่านท่านใช่แต่เราไม่ใช่เราไม่ใช่แน่นอน ผือพูดออกมาแล้วถ้าหมอต่อถามก็ไม่จะตอบว่าอะไรบอกไม่รู้จริงๆคือเอาเถอะ <c oughs> ไม่รู้ล่ะอยากกินนมแล้วมังตอนนั้นคือไม่รู้เอาละเรากลับมาที่คำถามใหม่ถ้าผมพลิกคำถามกลับท่านจะเริ่มรู้สึกว่าเอออย่างนี้พอตอบได้ละมันเริ่มจะเข้าทางหน่อยทำไมเราจึงเกิดมาถูกไหม ทีนี้ใช่แล้วแล้วอะไรละ่ะคือเหตุเกิด น, นันธรรมยามปัมะปุทธภาธติสะคาทายมพนามะเอเนกาชาติสังสารังสังดาวิสังนิพิสังเมื่อเรายัางไม่ปบยา ต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกระชาพระอาข า, ข า, ขารังขาเ ว, วสันโตสุขาชาติกุนาภุนังเ้ถีงหายอยู่ซึ่งนาจ้างปุกเรือนคือตัณหาผูร้างบการเกิดทุกคราวเป็นทุกครั้งไป าาาการาคาคาบิโตดิปุนาเกหังนาคาสีนี่เหน็นไอ้ตั้งถุเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปราพาเดพาสุกาภาคาคาหานุตังวินตังกาตังรองเรือนสรงหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรีนเราก็เรื่อเสียแล้วที่ั้งขารากตังจิตตาตันหานังกยมัชกาสอิทของเราถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรรุงแทงไม่ได้อีกต่อไปมานได้ถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งตนานาคือถึงนิพพานรู้อย่างครับอะไรเป็นเหตุเกิด ก็คือตัณหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ําไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วนะว่าเราไม่ได้เกิดมาทําไมหรอกแต่มันมีเหตุให้เกิดเหตุเกิดของท่านคือตัณหาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ต้องเหนื่อยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะเหตุเดียวคือตัณหาพอจัดการกับตัณหาได้ก็อวิชชาต่อ ปล่อยความยึดถือก็จบกันแต่ทําไมพระเจ้าถึงได้พูดถึงแต่ตันหาสังเกตไหมผมเคยสงสัยมากเลยว่าทําไมท่านไม่พูดอวิชชาไปด้วยเพราะทันทีที่ตันหาดับแล้วไม่เกิดอีกเนี่ยสภาพของจิตจะเป็นนิพพานแต่เมื่อเข้าถึงการถอดถอนขั้นสูงสุดที่จะหมดเหตุเกิดเลยเนี่ยต้องไปถอนที่อวิชชาแต่ตอนนั้ น, นจิตจะไม่มีการเผาร้นแล เป็นสภาพเย็นของจิตที่อีกหน่อยเดียวก็จะคืออย่างประมาทก็อีกไม่นานก็จะไปถอทถอนอวิชชาได้เองแต่ตันหาเป็นตัวสร้างภพความร้อนที่อยากได้อะไรอยากเป็นอะไรการมาพบภวะภวะตันหากามาตันหาวิภวะตันหาสามตัวเนี่ยภวะตันหาเนี่ยตัวแสบนะครับอยากมีอยากเป็นเนี่ย จะทําให้จิตใจเผาร้นเล่าร้อนเป็นเหตุเกิดตลอดเวลาเมื่อเกิดตันหาจะเกิดความยึดยึดแล้วก็เป็นภพก็จะส่งเป็นชาติชาติวินาทีที่มันเกิดเนี่ยจริงๆชาติก็เกิดแล้วชาติกูเนี่ยเกิดแล้วนะครับเป็นการชาติปัจจุบันแล้วก็ไอ้เรื่องส่งผลในอนาคตเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดเลยเมื่อคืนเราฟังเซนเนี่ยเขาบอกว่าประตูนรกเปิดแล้วก็ในเมื่อประตูมีทําไมนรกจะไม่มีชัดเจนนะครับ เหมือนกันเพราโพร่งตันหาขึ้นมานะเกิดเป็นภพชาติวินาทีนั้นเลยตัวกูมันเกิดภพชาติก็เกิดพอเกิดปุ๊บไม่ต้องถามเลยว่าบ้านมันจะมีไหมก็ประตูมันมาแล้วเนี่ยเพราะฉะัฉ้นวันนี้การที่จะหยุดตันหาต้องทันที่เวทนาที่ปัสส่ายิ่งดีวันนี้เราทันไหยล่ะเราเห็นแล้วว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไร วันนี้เราจะมาดูกันเรื่องอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาททั้งวันพรุ่งนี้หรือวันสุดท้ายแล้วนะครับมาลืนนี้คงไม่ได้สอนอะไรเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวตอนนี้แปดโมงนะครับเก้าโมงสี่สิบห้าทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับเก้าโมงสี่สิบหเชิญครับกราบพระแล้ไป เ, เราจะมาดูกันว่าอริยสัจสี่กับปฏิจจสมุปบาท คือสิ่งเดียวกันที่ย่อแล้วก็ขยายได้ยังไง